อต่อห น, นี้ไปหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังสักเล็กน้อยวันนี้หลวงพ่อคงจะไม่พูดอะไรมากเพราะว่าหลวงพ่อเขาตั้งจังหวัดใส่คอใส่จมูกหลวงพ่อแล้ ว, ลวมันก็เลยทําให้เสียงผิดปกติมีไอมีจามไม่ละไุกขุกขักๆไม่สะดวกนะแต่หลวงพ่อเองก็เห็นศรัทธาญาติโยมมาจากจาตุรทิศก็เป็นวันสําคัญของวัด หลวงพ่อก็จะจะแสดงความให้เป็นแนวความคิดสำหรับอุบาสกอุบาสิกาศรัทธายาตโยมที่มาวัดหลวงพ่อเพื่อจะไม่ให้เปล่าประโยชน์และก็พร้อมกันนะพร้อมกันเมื่อหลวงพ่อพูดจบลงไปแล้วหลวงพ่อจะแจก m p ็ของหลวงพ่อให้พวกศรัทธายาตโยมอีกเมื่อกระถิ่นหลวงพ่อก็ได้แจก เป็น MP3 เป็นกระเป๋านะ่ะสิแผน่นบางท่านก็คงได้บางท่านก็คงจะไม่ได้แต่คราวนี้เกินกว่านั้นอีกนะมันมีแผ่น11กับ12แต่มันอยู่ในแผ่นเดียวกันอยู่ในกล่องเดียวกันหลวงพ่อคงจะแจกแผ่น11บ็กับแผ่น12ให้แก่ศรัทธาญาติโยมแต่ถ้าว่าท่านผู้ใดนะหลวงพ่อขอย้ํายินงแล้วย้ําอีกนะบอกว่าครอบครัวหนึ่งหลวงพ่อจะให้ ชุดเดียวเท่านั้นนะถ้ามาด้วยกันทั้งผัวทั้งเมียทั้งลูกหลวงพ่อจะให้เพียงชุดเดียวนะอย่าเข้ามารับทั้งสองเพราะว่าของหลวงพ่อมีจํากัดนะของไม่มากและอยากจะให้มันเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมมากถ้าว่าผู้ใดไม่มีเครื่องฟังนะไม่มีเครื่องฟังอย่าเอาไปเอาไปก็ไม่เกิดประโยชน์เอาไปทิ้งๆิ้งคว่างคว่างนะแล้วก็เพียงแต่ได้รับของฟรี ของไม่ได้ซื้อได้หาเลยรับเอาไปก็ไปทิ้งอันนั้นไม่เกิดประโยชน์อย่ารับเอาไปเพราะไม่มีเครื่องฟังนะแต่ถ้าว่าผู้ใดมีเครื่องฟังแต่เออเอาระฟังของครูบาอาจารย์องค์อื่นก็พอแล้วละ่ะเออหลวงพ่อไม่ไม่ฟังก็ได้ก็ไม่ต้องเอาไปนะเออถ้าว่าผู้ใดเอาไปแล้วก็ให้ฟังนะ การฟังก็ต้อง อ, อกตั้ง อ, อกตั้งใจฟังนะถ้าว่าไม่ตั้งใจฟังพอเปิดขึ้นมาแล้วก็เออคุยกันบ้างเออพวกเด็กนั่งคุยกันบ้างผู้ใหญ่นั่งคุยกันบ้างไม่ได้ตั้งใจฟังถ้าทำอย่างนั้นหลวงพ่อว่าอย่าฟังดีกว่าเพราะว่า MP3 มของหลวงพ่อเนี่ยถ้าไม่ตั้งใจฟังแล้วไม่เกิดประโยชน์พูดอย่างนั้นได้เลย เพราะเหตุไรเพราะว่าการฟังการพูดการแสดงของหลวงพ่อไม่เล้าใจไม่เล้าใจสำหรับผู้ฟังคล้ายๆว่าฟังแบบพูดอ้างเหตุผลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่มีจุดหนึ่งหลวงพ่อก็จะชี้ประเด็นให้ฟังเลยเนี่เป็นอย่างนี้นะเหตุผลเป็นอย่างนี้นะจุดนี้เแต่ถ้าเราไม่ได้ฟังอย่างต่อเนื่องนะไม่ได้ฟังต่ออย่างต่อเนื่องเราจะไม่ได้ยิน ไม่รู้ท่านผัดอะไรมุมมมมอมมุมมมอ ม, อ ม, อ ม, อมอแล้วก็จบไปนะแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นการที่จะฟัง MP ็สของหลวงพ่อเนี่ยถ้าว่าตั้งใจฟังเออเออข่าวนี้เป็นเวลาที่เราจะพักผ่อนแล้วละ่ะหรือว่าเวลารว่างเน่ยเราจะฟังเทสสักกันนึงแล้วก็กดเอ็มพสแล้วก็นั้งฟังพอฟังจบแล้วก็ปิดไว้นะ แต่บางคนพอฟังเข้าไปแล้วก็ติดใจกับฟังเตลิดเปิดเปิงทั้งวันทั้งคืนอันนั้นไม่ได้นะถ้าฟังอย่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อีกเหมือนกันะฟังไปฟังมามันเลี่ยนเหมือนกันเถอฟังไปฟังมาก็เริ่มเบื่อเทศหลวงพ่อินอีกหงพ่ออินอีกเหมาอนั้นเถอะเนี่ยอันนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นการฟังหนึ่งฟังให้เป็นจิตจะลักษณะเพราะการฟังธรรมเทศนาหรือฟังเทศน์เป็นแนวความคิดเหมือนกับโต เอาไฟฉายใส่มือของเราอย่างนั้นนะ เ, เลื้ยวมีปฏีบสองทางเดินของเราอย่างนั้นนะให้เข้าเป็นแนวความคิดสำหรับเราเราจะคิดยังไงเราจะทำยังไงเราจะพูดยังไงาตามแนวแถวของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้พวกพุทธบริษัทสี่เป็นผู้คิดพูดทำ เ, เพราะฉะนั้น MP3 มพีสามธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์จะเป็นลักษณะอย่างนั้นมันต่างกันกันกบเสียงร้องรําทําเพลงน ะ, ะถ้าร้องรําทําเพลงสนุกสนานเพลิดเพลินเสียงดนงงตรีผ่านไปเ้วก็หายเครียดไปชั่วระยะหนึ่งจากนั้นกน็ก็ไม่มีสาระอะไรมีแต่ว่าได้ยินเสียงเพลาะตนเองแต่ธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์เสียงไม่เพลาะนะเสียงไม่เพลาะแต่ว่า เมื่อเราฟังด้วยความตั้งใจแล้วเราจะได้แนวความคิดในจิตในใจของพวกเรานําไปประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวายจาจใจของเราหรือว่านำไปปรับปรุงกิจการงานหรือการเป็นอยู่ของพวกเราปฏิบัติตนอย่างไรในครอบครัวของเราลูกเต่าของเราสามีภรรยาของเราหรือเพื่อนบ้านของเราหรือว่ากิจการงานในวงการของเรา แต่มีแนวความคิดออนําไปใช้เกิดประโยชน์ในการได้ยินได้ฟังนะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเทศนานี่หลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์นะแล้วก็ครูบาอาจารย์แต่ละท่านไม่ใช่ธรรมเทศนาของหลวงพ่อองค์เดียวนะนะธรรมเทศนาขององค์ใดก็ได้ที่ท่านแสดงธรรมให้ฟังที่มีกฎเกณฑ์นะ เราฟังดูแล้วเออเอานำมาประพุทธปฏิบัติกายวาจาใจของเราถ้าว่าเราไม่ได้ยินได้ฟังจากไทยเลยนะเราก็พยองพองตัวข่านี่ถูกอย่างเดียวแต่ตื่นตามไม่จริงมันไม่ใช่นะมึงต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังภาเปรียบเทียบของเรานี่เป็นยังไงแล้วก็เปรียบเทียบทำคาสังสอนของพระพุทธเจ้าด้วยนะอย่างนี้แหละเพราะนั้น พวกเราทุกๆท่านเมื่อได้ MP ็สของหลวงพ่อไปแล้วให้ตั้งใจฟังสรุปแล้วแต่หลวงพ่อนี่หลวงพอ่อเคยพูดแล้วย้ำแล้วย้ำอีกนะเนียย้ำแล้วย้ำอีกกลัวเหลือเกินเมื่อหลวงพ่อแจกไปแล้วพอก็ลับๆๆไป MP ็สของหลวงพ่ออินไปที่ไหนกี่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดหเห็นที่ไหนหเห็นแต่แจก พอที่สุดไม่รู้จะทํำยังไงหลวงพ่อเนี่ยกลัวพวกที่ไม่มีเครื่องฟังไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยเอาไปไล่แมลงวันเอาไปไล่แมลงวันหลวงพ่อเคยเห็นนะพอเดินไปนั่งรถไปหลวงพ่อไม่ค่อยเปิดกระจกรถออกนั่งไปถามเขาว่าทําไมเขาแขวนไอ้เอ็ในที่เขาขายผักขายปลาอะไรนั่นน่ะไอ้ทำไมเขาแขวนไว้ทําไมพลุมพลังมันน่าล้ำค่านะวะ เอเขาก็บอกว่าสําหรับไล่แมลงวันอ๋อมันไล่อย่างไงกันวะพอแขวนเสร็จแล้วทีเวลาเขาเอาพัดลมเป่าเนี่ยมันแวบไปแวบมาแมลงวันมันมีไม่มีเครื่องบังตามันใช่ไหมเออมันตามันก็นั่นอยู่แล้วมันไปเห็นแสงตามันแสงเอ็มพีสามมันเข้าตามันเลมันก็เลยกลัวเงี้อมันก็เลยไม่มาตอมผักตอมหญ้าของเขานี่แหละ หลวงพ่อเนี่ยเป็นห่วงเหลือเกินถ้าหลวงพ่อแจกใครมาเห็นมาก็แจกหมดไม่ได้ประกาศร่วงหน้าซะก่อนไม่ได้บอกไม่ได้ไม่ได้ทาความเข้าใจกันก่อนนะใครมาก็แจกตะไปหมดผลที่สุดหลวงพ่อเนี่ยกลัวเหลือเกินกลัวจะเป็นอย่างนั้นละงั้นะเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเมื่อได้ยินคำพูดของหลวงพ่อแล้วถ้าหากว่าไม่มีเอ็พีสามฟังอย่ามารับแล้วก็ครอบครัวหนึ่ง แจกให้เพียงชุดเดียวนะและก็พร้อมกันก็เมื่อได้แล้วนะให้เอาไปฟังนะฟังกันนี้ไม่ไม่แล้วฟังกันอื่นต่อไปอีกแต่ตั้งใจฟังหลวงพ่อว่าเมื่อตั้งใจฟังแล้วพวกเราจะได้รับความรู้ความฉลาดความรอบครอบรู้เรื่องของพระรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาเ่ยไม่มากก็ น, น้อยหลวงพ่อพูดอย่างนั้นได้นะ นะวันนี้เมื่อหลวงพ่อได้เทศจบลงไปแล้วแล้วพูดจบลงไปแล้วก็คงจะแจกแจกเอ็มพีสามให้แก่ศรัทธาญาติโยมที่มาในกระถินและก็เมื่อได้แล้ววันพุงนี้หลวงพ่ออาจจะแจกอีกอแต่เป็นอันเดียวกันนะอะพวกเราไม่ต้องมารับผู้ทีได้แล้วนะอันนี้คิดว่าเป็นพี่น้องชาวทางไกลเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้มุ่งมั่นมาหลวงพ่อก็แจกเป็น อันดับแรกแต่วันพุ่งนี้ก็คงจะแจกเป็นอันดับสองให้พี่น้องที่มาอีกพุ่งี้เช้านะอันนี้ก็คือเอ็มสาที่จะแจกก็คือคําพูดของหลวงพ่อนะที่หลวงพ่อจะพูดให้ฟังในวันนี้ก็คือหลวงพ่อพูดมาแล้วพูดมาแล้วไม่รู้ว่ากี่แผ่น แต่พูดวันนี้อาจจะซ้ำกับเทศกันเหล่านั้นไม่มากก็น้อยเพราะั้นบางทีอาจจะทุทกคาพูดเพราะในการพูดเพราะนั้นถ้ามาวันนี้หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเพียงแค่นี้จากนั้นเราเอาไปเปิดฟังอีกไปเปิดฟังต่ออีกได้นะจะเป็นแนวความคิดของพวกเราเพราะว่าพวกเรา ที่จะมีความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังหลวงพ่อพูดอย่างนั้นนะวันนี้เป็นวันเริ่มที่จะทอดผ้ากรถินวันพุ่งนี้นะพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่มาพักในวัดของหลวงพอ่อถ้าเป็นไปได้ในคืนเย็นวันนี้ก่อนหนับนอนก็ควรจะไหว้พระเมื่อไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ นั่งภาวนาบ้างหลวงพ่อว่าจะดีนะไหว้พระก็คือว่าเราไม่ต้องไหวอ้อะไรมากรอรหังสัมมาสวาขาโตสุปฏิปโนเท่านั้นแหละก็นโมตัสสะพุทธังธํามังสังคงังรุ ต, ติตติเสร็จเรียบร้อยก่อนนึกในใจนะนึกในใจคือแผ่เมตตานึกในใจว่าข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่น สัตย์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้คือในใจของเราเราให้ส่งกระแสจใจเป็นอย่างนั้นคือให้มีเมตตาในจิตใจถ้าว่าพวกเรามีเมตตาในจิตในใจไปอยู่รัตฐานที่ใดเวรภัยจะไม่เกิดขึ้นกับผู้มีเมตตาอยู่ตลอดเว ล, เวลานะแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีเมตตา ไปนัสถานที่ใดมีแต่นึกอารมณ์โมโหโท่โศขุณนเครื่องในจิตในใจอยู่เสมอถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมาแล้วเขาก็ขุ่นเครืองเหมือนกันความขุ่นเครืองทุกขุ่นเครืองเข้าไปหากันก็เป็นพิษเป็นภัยผูกจองกรรําจองเวีนกันขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเมตตาต่อเพื่อนสรพรพสัตว์ทั้งหลายแล้วน่ะความสงบผู้มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในตัวของเราเพราะนั้นก่อนหลับก่อนนอน ก่อนนอนระ้ว่างตื่นนอนขึ้นมาเราควรจะไหว้พระเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนะจากนั้นก็นั่งสมาธิทีนี้นั่งสมาธิไม่ใช่หน้าที่ของพระนะสมาธิไม่ใช่ข้อหน้าที่ของพระเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนเฉพาะพระสอนจตหาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาในครั้งพระพุทธเจ้าตอนเวลาบ่ายเนะี่ย พระพุทธองค์ก็จะเทศอบรมคณะสัทธาทิโยมที่ไปฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ได้อบรมพระและอบรมคณะสัทยาทยิโยมเมื่อฟังจบลงแล้วก็ได้สาเร็จมักสาเร็จผลกันอันนี้ก็คือพระพุทธองค์สอนให้พวกเรานั่งสมาธิสมาธิคือตั้งใจมั่นทำใจให้มั่นคงไม่บล็อกแวกคอนแคน ไม่ให้วันไหวไกวแข่งนะให้สติอยู่กับตัวเองเวลานั่งสมาธิก็ให้พวกเราดูพระประธานที่ต่อหน้าของพวกเราท่านนั่งอย่างไงเราไปถึงบ้านของเราเราก็ฝึกหัดนั่งดูอย่างนั้นแหละอยู่ในที่ว่งวางๆอยู่ในที่เงียบๆอยู่ในมุมสงบนะแต่ขณะที่นั่งสมาธินั้นอย่าให้มีเสียงวิทยุโทรทัศน์ให้เขาปิดซะก่อนเดื่อวให้เขานอนซะก่อนเขาพักผ่อนซะก่อน เราต้งค่อยลุกมานั่งนะมานั่งทําใจให้ว่างๆไม่ต้องคิดถึงอดีตไม่ต้องคิดถึงอนาคตวันพรุ่งนี้จะทำยังไงไม่ต้องคิดนะอดีตที่ผ่านมาแล้วเอตอนวันนี้วันวานนี้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเราหยุดไว้ก่อนไม่ต้องคิดอตัดปลดคันเ อ, เอนาไว้ก่อนว่างั้นเถอะให้มันว่างให้ใจว่างๆม่นขนาดเท่านั้นจากนั้นก็อนั่ง ปนมือขึ้นมาแลลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆแลลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานเป็นผู้ประทานพระธรรมคําสั่งสอนให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติจากนั่นกับพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแบนี่แหละแปดพันสี่พันพระธรรมขันจากนั่นกับพระสงฆ์กับผู้นําพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้า มาเผยแผ่ขยายผลให้พวกเราได้รับรู้รับทราบเพราะนั้นเรายกขูรสกก่อนไหวครูสักก่อนพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็เอามือลงนะกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้ก็คือกรรมฐานพระพุทธเจ้านะ แต่หลวงปู่ม่านหลวงปู่เสาท่านบอกว่าเวลาหายใจเข้าบริกรรมนะว่าพทุทหายใจออกบริกรรมว่าโทหายใจเข้าพทุทหายใจออกโธหายใจเข้าพทุทหายใจออกโทเออทําใจให้ว่างๆไม่ต้องคิดถึงอดีตอนาคตนี่แหละทีนี้เมื่อเราบริกรรมปฏิบัติอยู่อย่างนั้นนะนั่งนานไหมจะมีคําถามขึ้นว่า จะนั่งนานไหมนานเท่าที่จะนานได้นะเออเอามันปวดล่ะเออถ้ามันปวดเราก็พิกก็ได้แต่ทําไม่ปวดขนาดได้ขนาดนี้เราก็ต้องอดทนแต่บางคนก็นมาต่อว่าหลวงพ่ออีกแหมเวลาผมนั่งสมาธิเนี่ยทําไมผมจึงปวดแห่งปวดขาเออเอ า, เ, อาเรานั่งอย่างอื่นล่ะเรานั่งอย่างอื่นเราปวดไหมเออ เวลานั่งสมาธิจะไม่ให้มันปวดได้เหรอทาไมเราจะคิดอย่างนั้นเรานั่งอย่างอื่นเรานั่งดูหนังฟั ง, พงเพลงเราจะนั่งได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่เห็นว่าอะไรแต่ที่เรานั่งอยู่ในห้องอีกต่างหากานั่งอยู่ในที่สงบอีกต่างหากทําไมเราจึงไปทวงว่ า, เ, าเราเจ็บปวด ต, ตามไมิติมันก็ต้องมีนะั่นแหละ เพราะมันมีาธาตุขันอยู่จะไม่ให้เจ็บให้จูปวดเฉลยมันเป็นไปไม่ได้แต่เราก็ต้องอดทนเพราะเราจะจะเป็นคนดีเราจะจะให้จิตของเราสงบเราก็ต้องอดทนสู้นะถึงจะอดเจ็บปวดยังไงเราก็ต้องสู้ส ก, ก่อนเว้นเสียแต่เหลืออดเหลือทนจริงๆเออก็ออกซะออกจากสมาธิซะแต่ถ้าว่าเราจึางพออดทนได้ก็นั่งสมาธินะ แต่ตามไม่จริงถ้าจิตสงบเข้าไปแล้วนะถ้าจิตสงบมันไม่รับรู้ทางกายหล่นะไม่รับรู้ทางกายมันมีแต่รู้แต่ในใจของตัวเองนั่นแหละกายไปรู้เวทนามันจะหายไปหมดร่างกายหายหมดมันจะไม่เจ็บไม่ปวดอันนั้นถึงจุดหนึ่งนะนะนะเป็นไปได้ทั้งนั้นละ่ะในการทําสมาธิแต่ถ้าไม่ไม่ก็อย่างว่านะเหมือนกับปุกปั้มล้มลุมลก ค, คุกคาน ก่อนที่จะเป็นสมาธิได้ไม่ใช่ของทำได้ง่ายๆเหมือนกันเว้นเสียแต่อุปาสกอุบาสิกาหรือว่าท่านผู้นั้นมีอุปนิสัยเก่าเคยฝึกมาแล้วในอดีตชาติพอมาประพฤติปฏิบัติเรียกว่ามาจับเข้าไปเท่านั้นะเดินได้เลยเหมงอนันเถอะเพราะเขามมีอุปนิสัยเก่าอันนี้ใครก็ไม่รู้ว่าใครมีอุปนิสัยเก่าไม่มีอุปนิสัยเก่าแต่ถึงยังไงเก่าหรือใหม่ เราก็ตั้งต้นตั้งแต่บัดนี้แหละอดีตมันผ่านมาแล้วมันเป็นมาแล้วเราก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วเราเรียนรู้แล้วเราได้ศึกษาแล้วเราได้ยินได้ฟังมาแล้วจากครูบาอาจารย์เราก็ฝึกหัดตั้งแต่บัดนี้แหละเป็นต้นไปสู้ว่างันนั่งสมาธิทําจิตของเราให้เป็นหนึ่งให้ได้แต่ถ้าว่าจิตเป็นหนึ่งไม่ได้เราจะไม่รู้รสของพระธรรมพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเ จ, จ้าถ้าว่าเรา ทำจิตยังให้สงบยังไม่ได้เรายังเคว้งคว้างอยู่นะยังไม่มั่นใจยังไม่ตายยังไม่ยังไม่สนิทใจเลยว่าพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านว่าที่ตรัสไว้ว่ า, เ, าเป็นนิยานิกระทำนั้นจริงหรือเปล่ า, เ, าเป็นสวากาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วจริงหรือเปล่าเราก็ยังสงสัยแต่ถ้าว่าพวกเราได้นําำทำได้ลงมือประพฤติปฏิบัติตาม ที่พระพุทธองค์ได้แนะนำได้สั่งสอนแล้วนะจิตของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งนะ mm hmm. จิตสงบเป็นหนึ่งสติเป็นอะไรจิตเป็นนั้นจิตเป็นอะไรสติเป็นนั้น mm hmm. เท่านั้นแหละเราจะรู้ได้ว่าจิตสงบนี้มีความสุขจริงๆสมดังที่พระบาลีที่ดีท่านได้ตรัสเอาไว้ว่านาถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี เออเป็นอย่างนี้เองไม่ต้องถามหาใครแล้วเมื่อจิตสงบถึงขั้นนี้แล้วนะแล้วตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญไม่ต้องถามใครอีกเหมือนกันออไม่ไม่ใช่ว่าถึงพระอริยะออขั้นไหนนะออที่ว่าพิสูจน์ได้เพียงจิตเพียงแค่นี้นะจิตสงบเป็นหนึ่งท่านเองรู้ได้กายเป็นอันหนึ่งใจเป็นอันหนึ่งเป็นคนละส่วนการกายกับใจเห็นได้ชัดในความรู้สึกนั้นๆเมื่อจิตสงบ เราไม่ต้องถามใครนี่แหละเราจะแยกแยะหรือเราจะพูดได้เลยว่าที่พระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพระพุทิปฏิบัติมานั้นเมื่อจิตสงบแล้วรู้ได้ด้วยตนเองว่าจิตใจของเราเนี่ยนามธรรมตัวผู้รู้นี่เป็นอันหนึ่งแต่ร่างกายของเราเนี่ยเป็นอันหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันเป็นคนละอย่างกัน แยกกันอยู่รถกับคนขับรถอย่างนั้นอ่ะรถก็คือร่างกายแต่คนขับรถนั่นก็คือใจของเราคือนามธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อเราทําจิตให้สงบอย่างนั้นได้แล้วนั่นน ะ, ะความมั่นใจในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะไม่ต้องถามใครเพราะฉนั้นอยากจะให้พวกศรัทธาญาติโยมทุกๆท่ททานที่สนใจหรือว่าในประพฤติธปฏิบัติ ทำตามแนวแถวของครูบาอาจารย์แล้วอยากจะให้ปฏิบัติอย่างนั้นเพื่อจะให้ความเชื่อมัน่นหรือความมุ่งมั่นเรื่องความตั้งอกตั้งใจก็จะเกิดขึ้นแน่นอนไม่ต้องสงสัยถ้าว่าพวกเราประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นได้แล้วนะแต่ถ้าว่าพวกเราทําจิตให้สงบไม่ได้เรายังสงสัยนะยังสงสัยหลวงพ่อว่าเขาพูดยังไงก็พูดยังไงก็ เ, เป๋ไปตามเขา เขาพูดแนะนําที่มีวาทะที่เหนือกว่าที่มีคําคมแล้วมีคําพูดเฉี่ยวฉลาดกว่าเราก็นี่ยแหละลุ่มหลงไปตามคําพูดของเขานานๆวันนั้นอยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะลงมือประพฤติปฏิบัติทั้งอกตั้งใจเอาจริงเอาจังนะอยากจะให้จิตอยากจะให้พวกเราจิตสงบสักครั้งหนึ่งจิตสงบนั้นเป็นยังไง หลวงพ่อจะเรียงลำดับให้ฟัง เ, เมื่อเราภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแต่บางท่านบางคนเน่ลมมันแผ่วเบาไปเรื่อ ย, อยๆจะลมหมดนะเอีอ่ลมหมดลมหมดบางทีก็ตกใจขึ้นมาอีกเลยเนี่ยพอตกใจขึ้นมาแล้วก็สืบหาลมอีกเลยเพราะมันลมมันหายลมมันหมดจิตมันละเอียดนะอันนั้นก็ทำให้อยากขึ้นมาอีกเนี่ยเพราะความกลัวตาย อันนี้ก็มีนะแต่พราะนั้นเวลาเป็นอย่างนั้นขึ้นมาแล้วจะทํำยังไงนะในเมื่อเรากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออ ก, ออกลมมันหมดนะเราไม่ต้องตกใจอ่เพราะความรู้มันมีอยู่รู้ ร, รู้อยู่นะแล้วเอาสติเข้าไปจับอยู่กับตัวผู้รู้นั่นแหละอะ่อยู่กับตัวผู้รู้ดูตัวผู้รู้อ่าไม่ต้องไม่ต้องดูลมปล่อยมันเลยลมนะทิ้งเลยลมไม่ต้องเอาลม ให้อยู่กับตัวผู้รู้อย่างเดียวจากนั้นจิตก็จะเข้าสู่ความสงบนิ่งไปเลยอลงไปสู่ดิ่งแห่งความสมางบอจิตเป็นอะไรจริตเป็นอนั้นอืจิติเป็นอะไรจิตเป็นอนนั้นเอล้ายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติกับจิตนั่นแหละอันนี้แปลว่าสมาธิที่สูงสุดของสมาธิสมาธิมีอยู่สามขั้น สามขั้นของสมาธิคนณะิกะสมาธิเมื่อเรานั่งจิตพอจิตสงบไปอพอนั่งไปกำหนดลมหายใจเข้าออกพอจิตของเราไม่เผลอนะอพอจิตของเราดยูตัวมันจะมีความสุขหรือว่าจิตกระแสะแห่งความสงบจะเข้ามาสู่จิตใจของเราวาบนะี่ยคำว่าวาบหเนี่ยให้แกบเป็นคณิกะใจของเราจะเย็นสบายในขณะนั้น ไม่เคยมีไม่เคยมีมาก่อนเลยที่จิตจะเป็นอย่างนั้นใจของเราเป็นอย่างนั้นน่ะอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิน่ะเกิดขึ้นกับเราเราก็พอจะรู้ในริมรดของพระธรรมในระดับหนึ่งว่าบคณิกะเอะถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกระหิงห้อยทนะ่านเลยว่าบเข้ามาแล้วก็เอเราก็มีความสุขทางด้านจิตใจอันนี้ก็คือคณิกะอุปจารสมาธิเราพยายาม ไม่ให้มันเผลอนะพยายามดูจิตดูใจของเราอยู่ตลอดเวลาทีนี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือสติของเราควบคุมจิตไม่ให้เผลอเรามีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาแต่ยังได้ยินเสียงยังได้เสียงเสียงรถเสียงลาเสียงคู่เสียงคนเสียงอะไรที่เราได้ยินมันได้ยินหมดแต่ว่าไม่ส่งจิตเข้าไป ไม่ส่งจิตไปฟังเสียงเหล่านั้นนะคือสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวล า, าไม่ส่งใจออกไปข้างนอกอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิควบคุมจิตของตอนเองอยู่ในความสงบไม่สายแสไม่ออกไปข้างนอกอันนี้พอจิตที่เป็นอุปจารสมาธิจิตที่เป็นอุปจารสมาธินี่แหละ พร้อมที่จะพิจารณาทางวิปัจนาเารื่อพิจารณ า, าแยกแยะแบ่งส่วนของร่างกายแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายว่าร่างกายของเรามีอะไรบ้างนี่แหละอุปจารสมาธินี่แหละเหมาะในการพิจารณาจากนั้นอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี่มันดิ่งลงไปอีกนะเมื่ออุปจารสมาธิเมื่อจิตอยู่แล้วะนี เราก็กําหนดดูตัวตัวอยู่ตัวผู้รู้นะ่ะดูกำหนดดูตัวนั้นอีอมันจะสงบลงไปอีกอับปนาสมาธินี่แปลว่าดิงสุดตัวนั้นทัศสติเป็นอนไดจิตเป็นนั้นนนั้จิตเป็นอะไรสติเป็นนั้นคืออันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้เราสมาธิมีอยู่สมขั้นเท่านี้ไม่เกินกว่านี้น ะ, ะในหลักของพระพุทธศาสนา จากนั้นก็ถอนขึ้นมาสู่อุปจารสมาธิเมื่ออุปจารสมาธิเราก็พิจารณาทางด้านปัญญาทีมพิจารณาอะไรในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าให้พิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นของไม่เทีย่ยงสมัยก่อนเห็นไหมเด็กเกิดมาใหม่ๆเป็นยังไงต่อมาก็เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวผู้สูงอายุเข้าสู่วัยชราผลที่สุดก็ ล้มหายตายจากพวกเราไปมีมากต่อมากที่พวกเราเห็นเห็นอยู่รู้รู้อยู่มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ก็ไม่มีใครปฏิเสธได้ ว, ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าทานวานี่นะใจของเราเนี่ยนะนก่อนที่จะมาเกิดไปปฏิสนธิไปยึดร่างกายของเราจากนั้นก็ออกมาเป็นตัวตัวตน เป็นเด็กผลในสุขคอล่ะเท่าแก่รชรลาผลในสุขคอละมรณาภาคก็ตายไปตายไปแล้วไปเกิดอีก อ, อแต่ว่าการเกิดนี่มันจะไม่แน่นอนท่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่แน่นอนถ้าว่าใครได้ทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้คนนั้นก็ไปเกิดบนสวรรค์หรือยวไปเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดถ้าว่าเรามีบาอาคุศล แล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉานนา น, นานชนิดช้างมา้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่เกิดได้ทั้งนั้นอืไม่ได้เลือกสถานที่ถ้าว่าเราทํากรรมที่ไม่ดีเอาไว้แต่ถ้าเราทํากรรมดีเอาไว้บุญกุศลกับเกื้อกูลหนุนพวกเราให้ไปสู่ทางสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าไม่ควรประมาทในชีวิตของเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้เราได้เกิดมา เพรพระพุทธศาสนาได้มาเป็นมนุษย์ควรจะตั้งตนไว้ชอบนะอัตสัมมาปณิทิให้ตั้งตนไว้ชอบอย่าไปทำสิ่งที่มันมันไม่ดีถ้ามันไม่ดีแล้วนั่นละ่ะสิ่งที่ไม่ดีนั่นะจะพาหนาะจิตใจของเราไปสู่ทุกขติอาจจะไปเกิดเป็นช้างมา้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเมื่อกี้น น, นั่นแหละถ้าว่าพวกเราทาไม่ดีเอาไว้นะ เพนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าท่านรู้ท่านเห็นท่านได้พิจารณาวิถีชีวิตหรือวิถีวิญญาณวิถีทางใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่มันเป็นไปอย่างนั้นพระพุทธองค์เองท่านก็ได้ประสบพบกับพระองค์เองมามากต่อมากอย่างในชาดกต่างๆที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นกรรษัตริย์ อย่างเดียวไม่ใช่บางทีบางชาติเขาเกิดมาเป็นทุกตะก็มีเป็นกาเป็นไก่เป็นหมูเป็นหมาเคยเกิดทั้งนั้นทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญเพื่อจะลือถอนสรรพสัตว์ทั้งหลายในีออกจากโลกแต่พุทธองค์ก็ยังได้เสวยชาติเหล่านั้นไม่ต้องพูดถึงพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้มาเกิดมาพบมาเจอพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาเหตุผลก็ขอให้พวกเราพิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุด้วยผลแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองอันดับแรกก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนอย่างไรก็นั่งสมาธิอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นนั่นนำทำสมาธิจะทำยังไงขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอย่างพระประธานที่พวกเรานั่งเห็นต่อหน้านี่นะจากนั้นเราก็ำกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก พอกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วตอนนี้จิตของเราเข้าสู่ความสงบคณิกะอุปจาระอัปปนาสมาธิจิตของเราแน่วแน่จากนั้นเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่เราจะรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อจิตสงบนะแต่ถ้าว่าจิตของเรายังไม่สงบนั้นเรายังสงสัยอยู่นะอะสงสัยทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอ้จริงหรือเปล่านะแต่ถ้าว่าพวกเรา แต่ริมรถพระธรรมจุดนี้แล้วนะพวกเราจะฝังลากลึกเชื่อมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแบบถอนไม่ขึ้นพรางั้นเพราะมันเป็นของจริงนะเป็นของจริงเพราะนั้นพวกเราญาติโยมทุกๆ ท, ท่านนะจะตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ชีวิตของพวกเราเนี่ยเป็นของไม่เถียงแท้แน่นอนทั้งหงพ่อเองทั้งพกศรัทธาญาติโยมเอง ทุกทุกคนทุกทุกท่านนะั่นแหละมีจุดจบของชีวิตเพราะนั้นให้พวกเราสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เมื่อถึงจุดนั้นเข้ามาเมื่อไหรเราก็าไม่เสียทีนะเพราะเราได้เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วเราได้เตรียมสเสบียงเดินทางที่จะเดินทางต่อไปภาคหน้าเอาไว้แล้วบุญกุศลที่เราได้เตรียมเอาไว้นะ่คืออย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนะไหว้พระก่อนหลับก่อนนอนจากนั้นก็นั่งสมาธิ ทำจิตให้สงบล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นการปฏิบัติพ่อแม่ของตอนเองก็เป็นบุญเป็นกุศลการทาบุญทําทานตักบาตรไหว้พระสวดมนต์อย่างพวกเรามาวันนี้มาเพื่อบําเพ็ญกุศลชัดๆวันนี้อพอมาถึงวัดแนละ้วก็ได้เตรียมทยายธงยาทานมาเลี้ยงขู่เลี้ยงคนเลี้ยงแขกจากนั้นก็ได้มาไหว้พระสมาทานศีลจากนั้นก็ได้ฟังโอวาทของหลวงพ่อเพื่อ นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางนะเป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายนะวันนี้หลวงพ่อพูดก็เห็นว่าพอสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระศีลรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใด อยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สำเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการ